ฟันทำการฝันทำก็นำไปปฏิบัติการปฏิบัติที่เป็นส่วนตัวไม่ใช่ฟังแล้วไปจำไปท่องบนไม่มีการกระทําเกิดขึ้น เกี่กวกับกายเกี่ยวกับใจเรานี่ถ้าไม่มีการกระทำให้เกิดขึ้นนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากไร่เป็นดีได้เล่นความหลงแล้วปล่อยให้มันหลงไม่มีการปฏิบัติต่อความหลงถ้ามันถูกต้องความหลงก็จะข้างขาอยู่ที่กายใจของเรา เมื่อความหลงข้างคายอยู่ที่กายใจกายใจก็แสดงก็ออกทางเป็นบาปอกุศลเราก็อาจจะทำบาปทำกรรมมามากกสัตว์อะไรต่างๆทำให้เกิดบาปอกุศลทำบาปเพียตัวเองทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ ไม่เคยช่วยตัวเองทําให้คนอื่นเิงอื่นที่ดีๆให้สูญหายไปก็มีเราจึงไม่ควรประมาทในการทำความดีการเล่าความชั่วสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมที่ทำมาที่ทำผิดพลาด มันก็แจ้มาได้แล้วแต่บางทีก็จะเจ็บปวดจากที่ ก, การกระทํามาปูค่าปลาค่าอาะไรต่างๆไม่คนประมาณจึงน่าจะกระตือรือร้นเห็นตัวเองได้มีชีวิตที่ผ่านมาเป็นเช่นไร เมื่อเรามามีสติจะได้เห็นสิ่งที่ผิดที่พลาดจะได้เกิดตือนโดยล้นโดยเฉพาะความผิดเกิดขึ้นเป็นประจำที่กายที่ใจของเรานี่ความหลงเกิดขึ้นที่จิตที่ใจที่กายก็จะได้เปลี่ยนมันซะให้เกิดความรู้จักตัวเว็นต้นโตแห่งบาปแห่งบุญที่ตรงนี้ วิธีจะเห็นบาปเป็นบุญที่จิตแก่าบาปให้เป็นบุญเปลี่ยนความร้ายเป็นดีก็คือวิชาก ร, รมฐานนี่เป็นการทันทีในคราวเดียวกันลามันหลงก็จะได้รู้หรือว่าต้นเหตุได้เปลี่ยนมันได้เปลี่ยนเหตุมันให้มันเป็นเรื่องดีขึ้นมา นี่เป็นกรรมเป็นการกระทาหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรานี่เ ม, เมื่อกี้น่นหล่อสารทายาทพสูตรธรรมะจะอรมักมีองค์แปดเกี่ยวกับกายกับใจทั้งนั้นบาปกุศลตะเกิดที่กายที่ใจเท่านั้น เมื่อเกิดบาปที่กายที่ใจมันก็ไปเป็นบาปต่อสิ่งอื่นทำให้สิ่งอื่นเป็นทุกข์เป็นโทษเราจะมาแก้ตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ตั้งแต่องค์มรรคที่หนึ่งสมงหม่อมทิติม่ความเห็นชอบให้เกิดความเห็นขึ้นมาการที่เกิดความเห็นขึ้นมาคือวิชากรรมฐานเหมือนตาใน ตาในจะได้เห็นสิ่งใดเป็นทุกข์เห็นเหตุที่เกิดให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นเหตุที่ทำให้เกิดเป็นทุกข์เห็นวิธีที่ทางดำเนินออกจากทุกข์ให้มีความแก้ตรงนี้อะไรที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามีสติจะได้เห็นจนเห็นความหลงมีหลายเหตุอันหนึ่ง เราได้เปลี่ยนให้มัเป็นความรู้ที่จะเป็นทุกข์มันเกิดความหลงที่เป็นความโกรธความรู้มันเกิดจากความหลงพอดีกับกลัมาถานคือความรู้สึกตัวนี่มันเป็นส่วนตัวแต่มันเป็นส่วนรวมเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเองอย่าป่อยทิ้งไว้เป็นส่วนตัว เปลนเอาเองถ้าหลงเองต้องเปลี่ยนรู้ออเองทุกเองต้องเปลี่ยนไม่ทุกเองผมไม่ดีเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นความดีเอาเองตัวใครตัวมนันไม่มีใครช่วยกันได้วิชากรรมฐานเป็นวิชาที่เป็นกรอบเป็นกําขึ้นมาจริงจริงในการกระทําความดี ไม่ใช่ในวัตถุสิ่งของเมื่อความดีเกิดขึ้นดีกับที่ใจไม้กลับเป็นครบบงจรนไปเองจิงดีๆก็จะเกิดขึ้ น, นกับบุคคลที่เป็นคนดีได้ทีหเป็นต้นโตเราจึงมีโอกาสแล้วออกผัวจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนแล้ว ก็จะพูดถึงสิ่งที่เกิดตุ้นผักใสเราจริงๆคือความผิดพลาดที่ได้ทำมาเนี่ยมันสนับสนุนให้เราได้ไม่ท้อถอยอย่างน้อยเราก็มีคุณพ่อคุณแม่ไม่ครูอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราให้คนให้ค่าต่อเราให้ชีวิตเลือดเนื้อต่อเราเราก็จะไม่ได้ประมาท แต่ใดใช้ชีวิตที่คนอื่นช่วยเรามานี่เกิดความดีให้ได้ไม่มีใครไม่มีสิ่งเกี่ยวข้องกับจริงเหล่านี้ยิ่งเราเป็นนับวชเห็นยอดเห็นยมเราบ้านให้คนเข้าใจในบอดไม่จะทำชั่วได้ยังไงขอยกมือทั่วหมัว หมผ้ากาสพพัดถงใยของพระลังหันพิถึงพระเจา้าอยู่กติเสนาอยู่มีผ้านุ่งผ้าห่มมาสนับสนุนให้เราได้ไม่โทษถอยเหมือนพร้อมที่สุดคือนักปวดนี่ในการทำงานแบบนี้แล้วก็มีหมูมีมิดมีเพื่อน ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นที่พึ่งกันได้ถึงเวลาได้ยินเสียงค้องเพื่อนเราตีค้องบอกเวลาให้มาทํามานมาทำความดีตอนเช้าตอนเย็นเวลาฉันมีเสียงระฆังดังขึ้นเพื่อนเราชวนไปกินข้าว มีอาหารมีข้าวมีที่นั่งมีน้าดื่มเราก็มีแต่ความดีจะหนุนให้เราได้เป็นคนดีเสริกันก็พึ่งในใจเสิและเสริม ใ, ในใจสนิมแเสริมพิจิตรูปนั้นไม่ชีรูปนี้พิกจิีรูปนั้นย่าจมคนนั้นคนนี้ นี่แต่คนทาความดีอยู่ด้วยกันน่าสงสารน่าสงสารเราเป็นเพื่อนเกิดเจ็เยียบตายด้วยกันจิ้งแม่ น, น้วก็จะตายมันไม่ยากความตายชีวิตนี้มันเหมือนกับ น, น้ำข้างบนยอดหญ้าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายแล้วหายใจออกไม่เข้าก็ตายแล้ว ไม่ขวนประมาทอย่ารอวันรอเวลาเราจะตายอย่างไรเราจะเก็บอย่างไรเราจะแก่อย่างไรไม่ใช่วันแก่แล้ววันเจ็บแล้ววันตายแล้วจริงไปอดขั้นอดทนมันทําไม่ได้ดอกต้องทำได้เดี๋ยวนี้คือฝึกกวรมาฐานนี่ ให้เป็นกบเป็นกำขึ้นมามีอยู่จริงความดีอยู่ในตัวเรานี่ความไม่ดีก็มีอยู่จริงๆเห็นสมผัติได้อยู่นี่ส่วนตัวอยู่นี่ส่วนตัวนี่ไม่ต้องถามใครเหนือคาอธิบายไม่มีคำอธิบายดดใดๆเช่นความหลงความไม่หลงความทุกข์ความไม่ทุกข์ ความรู้จึกตัวความหลงตัวนี่ไม่มีคําอธิบายตัวใครตัวมันเป็นประมดสัจจะความจริงที่ปรากฏต่อความทุกข์เราก็ทุกข์จริงๆความไปทุกข์เราก็ไม่ทุกข์จริงๆจริงไม่จริงจริงแบบจริงไม่เห็นจริงเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี่ มันเป็นงานเป็นการมันยิ่งใหญ่อยู่ที่กายที่ใจของคนนี่ ม, นมีการมีใจเป็นทวานให้เกิดบาปเกิดบุญต้องอาสัยกายใชยใจนี่มาสร้างให้เกิดความดีกรรมฐานนี่มันเป็นกรรมที่การกระทําที่ให้เกิดความดีเกิดเกิดกายกับใจนี่ได้อย่าง โงกงามที่สุดเลยทุกวินาทีก็ว่าได้มีสตินี่ดังไม่มีใครบังคับกับสปลดปล่อยกันที่นี่คงให้เป็นที่ปลดปล่อยกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าไปครอบงำกันและกันปล่อยให้อยู่ได้อิสระในฐานทำความดี มีเวลาที่ร่วมกันเป็นครั้งเป็นคราวทำวัดสวดมนต์ไปขบไปฉันวันที่ก็ทำงานโยธาบ้างเล็กๆลด้วยน้ยเราทำของเรานี่มันก็เป็นผลกระทบต่อคนอื่นถ้าเราทำความดีเนี่ยความดีที่เกิดจากตัวคนคนหนึ่งนี่มันก็จะเกิดความดีไปอีกหลายอย่าง ลานี้พ่อแม่พี่น้งองวงเราอยู่บ้านลูกสาวลูกชายเมื่ออยู่วัดมาบวชเป็นพระเป็นชีเท่าผู้เจ็มาอยู่ ว, วดัดวลูกหลานอยู่บ้านเขาก็คิดถึงว่าแม่ของเขาพ่อของเขาอยู่วัดเขาผู้อวดใครต่อใครก็ไม่รู้วัน ท, ทีก็คุยอวดว่าลูกสาวอยู่วัดลูกชายบวชเป็นพระอยู่ที่วัด น, นู่น คมหวังนั่งกับหวานพืชคงจะงองามขึ้นไปหวังให้ลูกของเขาเป็นคนดีหวังให้พ่อแม่เป็นคนดีปัญญาสามีของเขาเป็นคนดีก็ยิ้มใจสุดใจเหมือนกับมีหวังไม่ได้ห่วง ก็ถือว่าสุดยอดแล้วชีวิตของเราถ้าเราอยู่ในวัดปฏิบัติธรรมนี่ยเป็นชีวิตที่มีค่าขึ้นมาได้ใช่ชีวิตที่ถูกต้องทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องคือชีวิตอย่างนี้เป็นส่วนตัวเป็นโอกาสกว่าชีวิตยอย่างอื่นถ้ามีชีวิตยอย่างอื่นถ้าเขารู้เรื่องดี เราก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะสะดวกเหมือนกันแต่ก่อนที่จะรู้เรื่องนี้ต้องศึกษาพอสมควรประสบการณ์พอสมควรบทเรียนที่ได้จากการจัดใจพอสมควรนีตั้งใจการศึกษาการปฏิบัติการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเอง อย่าไปให้ลดของโลกคล่อมงามเกินไปขวงลูกของหลานหวงทรัพย์สินสเสดงจคารให้กวมชิดไหลไปอยู่กับมัธุชงของคนรวยก็ชิดแบบคนรวยคนจนก็ชิดแบบคนจนคนมีลูกดีก็ชิดแบบคนมีลูกดีคนมีลูกชั่วก็ชิดแบบคนมีลูกเป็นคนชั่วมีปัญญาสา ม, มีคนดีก็มี คิดแบบสามีพัญญาเป็นคนดีสามีเป็นพคนไม่ดีก็ชิดแบบสามีพัญญาเป็นคนไม่ดีนั่นเป็นรูดของโลกเรีวยกว่าโลกกระทำครอบงำถูกโลกกระทำครอบงำก็มืดได้ยึดถืงเรื่องนี้เรื่องอื่นคิดไม่เป็น <c oughs> แม้แต่ความผิด <c oughs> ผิดเรื่องเดียวก็ทุกไปทั้งหมดเรื่องอื่นถูกอยู่ก็มีเยอะแยะเอาความผิดมาลงโทษความดีมีอยู่อเยอะแยะแต่ความไม่ดีมีอยู่ไม่มากก็เอาความไม่ดีมาลงโทษความดีก็ยังมีอยู่บางทีเอาซพสมบัติมาลงโทษจึงใดที่หายไปเสียใจ อะไรอวบน่มละลายมัน ไ, ไปทั้งหมดสิ่งที่ยังมีอยู่ก็มียังไม่ร่วมละลายก็มีเช่นน้ำท่วมมันเสียหายแต่เพราะน้าท่วมสิ่งที่น้ำท่วมแั้วเสียก็มีเท่านั้นสิ่งที่น้ําท่วมไม่เสียก็ยังมีอยู่ไไว้กับไม่ตั้งแต่ไว้ที่เหมือนวัตถุที่ไฟมันไม่สิ่งที่ไฟ ย, ยังไม่ไห้ก็ยังมีอยู่ ชวนมันลอยมันล <song> ักเอาของก็เอาของเฉพาะชวนมันลักได้สิ่งที่มันลักมันได้ก็ยังมีอยู่ลงพัดพัดแต่พอสิ่งที่หลงมันพัดได้ลงพัดไปได้ก็ยังมีอยู่โอ้ยประสบก่อนให้เห็นอย่าเอามาเป็นทุกข์เป็นโทษจงหมดเหมา ทุกแบบเมาไม่ได้เรื่องเกิดกับกายกับใจจะเมาไม่ได้เกิดกับภายนอกานกานอกกจะเมามาเป็นทุกทั้งหมดไม่ได้แยกเป็นส่วนเห็นเห็นความผิดเห็นความเกิ ด, กดขึ้นอาขีภัยว่ฏฏะภัยอุทุกขภยัภยโชลภัยเห็นเป็นสัดเป็นส่วนมีส่วนแบ่งแยกแยก สิ่งที่เกิดขึ้ น, นกว่าเข้าใจก็มีส่วนแบ่งเมื่อพินเป็นทุกข์ก็เห็นความไม่ทุกข์ไม่เกิดขึ้นยังมีอยู่ความไม่ทุกข์ในตัวเรานี่ความหลงมีแต่ความไม่หลงในตัวเรายังมีอยู่เวลาใดที่มันไม่ดีเกิดขึ้ น, น, นก็เข้าวหน้าไปจู่ความดีได้ฝึกตนสอนตนเอาไว้มาต่อไว้ มองทิศมองทางเอาไว้เห็นทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกมองไปแบบนั้นในทําเหตุที่มันเกิดทุกจะทําทได้แล้วเห็นในโลดความพ้นทุกมีวิธีดําเนินการอย่งนี้อย่างนี้จนชำ น, นิชานานขึ้นมาชํนานาญในการดําเนินออกจากทุกน้อยนิดเดียวไม่มีไม่ยอกเหมือนกับทุกกันเป็นทุกหลงโกรดได้เป็นโกรด ก่อนดำเนินออกจากความโกรธความทุกข์นี่ง่ายจะดวกจะงดงามดีกว่าปล่อยให้ต้องเป็นทุกข์เป็นทุกหาตนสอนตนอย่างนี้จะได้ชาวนี้ชานาญเป็นศาสตร์เป็นฉินศาสตร์เป็นฉินนี่เป็นชีวิตที่งดงาม ก็หัดเอาไว้การทําความดีได้ง่ายการทําความชั่วดียากเป็นความสะดวกที่สุดกับการใช้กายใช้ายเป็นอุปกรณ์ให้ทําความดีได้ทุกรูปแบบก็เราหัดถ้าเราไม่หัดก็เป็นปวัตถุอุปกรณ์ให้ทําความชั่วได้ทุกรูปแบบทําดีได้ยากทําชัว่วดง่ายก็มีถ้าไม่หัด จึงมีโอกาสเต็มที่เ้าวความหนุ่มความสาวไปสร้างความไม่ดีให้อาวความหนุ่มความสาวสร้างความดีมีไหมความดีทำมาสิปียีป่ปีพอที่จะยกมือไหวได้ไหมเอาส่ความดีที่ทาตั้งแต่วันนู้นมาในวันนี้ ความดีเกิดจากการจากใจล o n g ตัง้งแต่10 ป, ปี20ปี50ปีก่อนยังได้ใช้อยู่ทุกวันนี้มีบ้างไหมหรือมีแต่ว่าความไม่ดีที่10ปี20ปียังได้ใช้ความไม่ดีอยู่ชนนั้นหรือ มันดีอะไรความไม่ดีเคยก็การใจใจเรานี่ยปฏิบัติตค่อยเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนให้มันดีเนี่ยทันทีเลยมันจะเห็นอยู่ทุกโอกาสถ้ามีสติตามวิชากรรมฐานเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้น ไ, ได้เปลี่ยนมันไม่ดีให้มันดีสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นมานี่ เข้าแถวให้ดูต้องมีสตินะมีสติปัญญาอยู่ประจำ <c oughs> อะไรเกิดก็ปล่อยปล่อเป็นสุขเปทุกข์อะไรบ้างจะได้รู้มันกลักกบหมาตั้งไว้ <c oughs> วันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งได้เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดความดีขึ้นมาเป็นความชอบที่สุดวิชากรรมฐานนี่ มันไม่มีวิธีใดที่จะต้องมาบอกพูดสู่คนฟังมาแสดงให้เห็นการใช่พูดแสดงให้เหมือนเห็นการแสดงต้องดูต้องดูไม่ใช่ไปจอมดูแล้วก็เห็นเห็นด้วยไหมเช่นความหลงมันดีไหม ผมไม่หลงผมหลงไปอย่างไรเห็นด้วยไหมควมทุกข์กับคมไม่ทุกข์เห็นด้วยอย่างไรนี่ก็สแสดงให้ดูถ้าเห็นด้วยก็ต้องทำางไปไมาใช่ไม่ทำรู้แล้วแต่ก็ยังทุกข์ยังโกรธอยู่ยังทำชั่วอยู่เหมือนขาวเดียวกัน การแส ด, แดงนี่ไม่ใช่การพูดที่เหมือนกับการสอนให้ท่องให้จำปฏิบัติธรรมนี่เราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่วละเมิกรรมเป็นของของตัวเอง สิ่งที่ํำไม่ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ขึ้นสมงหมาสมาธิไม่ใช่เพียงเท่านี้วัละกรรมเสียได้วัฏกรมเสียได้มีปิติมีสุขมีเปรียกหวางอีก มันชวนให้วางชวนให้วางชวนให้วางเสียวก็ะวางทุกระวางมันไปเองเอาไว้อยู่ถึงเขาที่เหมือนเข้าที่เข้าทางมันก็ไปเองเหมือนรถวิ่งทางเดี่ยวมันไปของมันเองไม่มีอะไรขวางกัน แล้วก็วิ่งจราจรแน่นหนาะก็ก็เวลาจราจรแน่นหนาะมันก็ได้สาตสตรได้เข็นออกมาใช่เวลาจราจรว่างทางเปลี่ยววิ่งเอาสะดวกสบายปฏิปธรปรมเป็นเช่นนั่นบางทีถึงข่าวที่มันสะดวกก็สะดวกออกก็ผ่านแล้วก็ผ่านเอา ลองอย่างไม่ต้องไปทํามันเบิกทางเองเหมือนประตูปิดเปิดเองประตูประตูลงเมื่เวลาเดินไปเปิดให้เองเราเดินผ่านไปมันก็ปิดเองของมันปิดความชั่วปิดเองลงตัวพานไปแล้วเอาเลยที่มีความชั่วเปิดให้เปิดให้เปิดให้เปิดให้ รวมชั่วมันจะสนุนให้เราได้ผ่านไปมันตันมันประตูอัตโนมัติมันตันมันไปไม่ได้ผมเปิดให้เปิดให้เปิดห้ชีวิตถ้าฝึกปฏิบัติไปมันเป็นปลมัติเป็นอัตโนมัติมันช้ำน้ชํำนานได้สายใจของคนเนี่ยนานนี่จนเรียกว่าปะิญญา ยาตาปริญญากหลดรูได้ง่ายอะไรที่ไม่ถูกต้องรูด้ง่ายอะไรที่ถูกต้องไปคู่ได้ง่ายไม่ต้องเรียกหาอ้อนวอนเราจะยิง่งไปหาศีลมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยเรียว่ายาตาปริญญา ตีแล้วก็นัเป็นยอแกกแขงแข ก, กแางไม่ให้เหลือเหลือศูนย์วงทุกข์เหลือศูนย์ควงมสุขเหลือศูนย์วงโกดโลกหลงเหลือศูนต้องเลขศูนต้องอยู่เลขศูนหลงตัวคือเลขศูนย์คือผ่านคือลูกคือมันไม่มีอะไรเศรษเหลือนั่นเปนอย่างนั้นตีแล้วแ ก, ก, แก็นับเป็นยอดแขกแขงยอดแย่ ไม่เหลือมืนอจะตั้งซากมันจะบมดบาปหมดกรรมยังมีกิเลตัณหายังมีอารมณ์โกรธลากต้นเรียดคนนี้เวทนาจากนั้นเวทนาอย่าง น, น, น, าางนี้มันก็ไปไม่ได้มันเห็นตั้งแต่ที่แรกแล้ว ก, า, ก, กายเสว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขา วิสก็สักวิเวทนาสักวิเวทนาจิตก็สักวิจิตทรรมก็สักวิธรรมหนําแจกไปแล้วนี่แหละติกคณะปณิยามันแต่ไปท่องแล้ต้องไปเรียนชํานาญไหมทางที่ไปไมันหวงกันตรงในชํานานได้ไหมถ้าจํานาญนท่านนี่บอกติดแล้วก็เรืปริญญา จนมาถึง ป, ปิญญาหมดไปหมดไปหมดไปไม่มีอะไรเหลือเหลือศูนเหลือศูนเหลือศูนแม้เอากายมาเอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกเหลือศูนศูนย์ของกาของใจไม่ใช่ศูนย์ของวัตถุจริงของอตั้งอยู่วนศูนย์ก็ถือว่าใช้ได้ ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรว่างเป่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนมัก็เหนือกางเกิด อ, อ, อ, อเจ็บเจ็บตายได้เด็ก น, นั่งเตือนน้มงหนุ่มเรื่องนี้รู้เรื่องนี้จะได้ใช้ชีวิตไปยาวนานกว่าคนแก่คนแก่ก็น่าจะเรียบเรียงกว่าคนหนุ่ม หรือคนหนุ่มน่าจะเรียดดวนกว่าคนแก่จะได้มีชีวิตชีวาไปยาวนานเราให้แกมาได้เอาความหนุ่มมาสร้างมักสร้างผลให้เกิดขึ้นให้ได้โดยฝึกวิชากรรมฐานนี่แล้วกอช่วยกอนเธอบอกกันดูกันเป็นแบบปนอย่าง พึ่งพาอาศัยกันเป็นคนคนเดียวกันทำไม่ไหนของเราเหมือนดอกไม้ต่างต้นต่างสีต่างกินลูกต่างพ่อต่างแม่ต่างนิสัยใจกอเมื่อมีสติจะเป็นอันเดียวกันส ต, ติเหมือนเช่นได้เ่อลี้ชีวิตของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน คือสติถ้ามีสติเป็นอันเดียวกันหมดถ้าขาสติก็เป็นคนละคนกันไปอาชจรรยธรรมะเนี่ยคำสอนพระเจ้านี่ยกืพระทเจ้าจชื่อว่าสมมาสมพุธทธูสอนให้เราปฏิบัติสิที่ิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูก แล้วก็มีก้อยมีใจมีสิ่งที่ผิดที่ถูกให้เห็นอยู่แล้วก็เปลี่ยนได้อยู่สิ่งที่ผิดนี่พระเจ้าเคยผิดแต่สิ่งที่เราผิดอยู่นี่คนที่ไม่ผิดก็มีสิ่งที่เราทุกข์อยู่นี่คนที่ไม่ทุกข์ก็มีมากมายเลยกับพูดจะเสมอว่าแต่เราเหลงโหลโกรธเลาทุกข์เราลภเร า, าวิตกวอรเจ้าหมองคนดนเขาไม่มีแล้ว เขาไม่มีแล้วจช่นเดีวนี้มันคนล่าสมัยถ้ายังมีอยู่เช่นนี้ล่าสมัยเขาไปกันแล้วอราก็สมควรเจอเวลาหมดแลยวกนี้กลับพร้อมกัน